การศึกษาเรื่องนิพพานโดยไม่ศึกษาเรื่องพระอริยบุคคลให้เข้าใจโดยละเอียดจะทำให้ความเข้าใจนิพพานไม่สมบูรณ์และจะไม่เกิดความคิดวางรากฐานการศึกษาเศรษฐกิจการปกครองและอื่นๆให้สอดคล้องกับหลักพุทธศาสนาที่ถูกต้องซึ่งถ้าทำสำเร็จสังคมจะอยู่อย่างมีปัญญาจเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับสันติสุขปลอดภยัยหลักสาคัญในการบรรลุ ธ, ธรรม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 และเมื่อผ่านไปได้จะทําให้จิตใจเราสูงขึ้นเพิ่มพูนวิริยะบารมีขันติบารมีเป็นต้นให้มากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นต่อการพ้นทุกข์เพื่อการบรรลุธรรมในขั้นสูงยิ่งยิ่งขึ้นต่อไปอริยทรัพย์หรือทรัพย์ภายในเจประการอันเป็นคุณสมบัติประจําตัวของพระโสดาบันคือศรัทธาศีลอิ ร, ริโอตต ป, ปะ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 และคิดว่าช้ามีรูปร่างแบบนั้นเท่านั้นตัวอย่างผู้แตกชานในธรรมและเคร่งครัดในศีลแต่ห้ามคนกราบพระพุทธรูปหาว่างมงายไปไหว้อิดไหว้ปูนทำไมทั้งที่ควรสอนว่ากราบด้วยจิตอย่างไรให้เป็นพุทธานุสติจึงเกิดบุญเป็นผลดีและกราบด้วยจิตอย่างไรจึงงมงายกลายเป็นยึดติดในตัวบุคคลเป็นศินลป ะ, ะตปรามาสส่งผลเสียไม่ควรทาเป็นต้นนะครับ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 ตัวเองจะลำบากไร้เกียรติก็ไม่เดือดร้อนทอมตัวสุภาพให้เกียรติไม่เหยียดหยามเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายในทางที่ถูกเป็นสิ่งที่ไม่ต้องหัดไม่ต้องอบรมแต่จะเกิดขึ้นมาเองเมื่อจิตเข้าถึงความสงบอันปราณีตและละสัสธิศรัทธาทิฐิได้สังโยชน์ข้อที่สที่พระโสดาบันละได้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 แล้วรู้ชัดแน่นอนว่าทางที่จะไปสู่ความหลุดพ้นคืออริยมรรคหรือศีลสมาธิปัญญาคือตั้งแต่สมาธิจิจนถึงสมาสมาธิเท่านั้นข้อปฏิบัติใดที่ขัดแยง้งหรืออยู่นอกเหนืออริยมรรคถือเป็นศีลลับตาปรามาส ท, ทั้งนั้นรู้ชัดถึงเหตุผลว่าทำไมต้องถือศีลถืออย่างไรให้ไม่สุดตง่งทําไมปฏิบัต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 เมื่อได้มาก็นํามาทําอาหารหรือนําไปขายให้ซึ่งมีพุทธพจน์ว่าถ้าฝ่ามือไม่มีแผลยาพิษย่อมไม่เข้าสู่ร่างกายบาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่กระทําบาปเพราะอากุศลเจตนาไม่มีคนที่ดูภายนอกเหมือนทําบาปอาจไม่เกิดเป็นบาปเพราะเจตนาไม่มีแต่ทําไปตามหน้าที่ที่สมควรเท่านั้นหากพระอริยะจะสั่งลงโทษ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 สิ่งนี้จริงสิ่งนั้นไม่จริงหลักธรรมชาติมีอยู่ว่าคนเราจะคิดได้ตามนิสัยสันดานหรือตามวิบาสของตนเท่านั้นดังนั้นถ้ายังไม่บรรลุเป็นพระอริยะก็ไม่ควรด่วนตัดสินหรือมั่นใจเกินไปว่าสิ่งที่ตนรู้เข้าใจนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วคนปฏิบัติธรรมเพื่อนิพพานมีสองประเภท พวกหนึ่งปฏิบัติเพื่อตอนเองพ้นทุกขอย่างเดียวอีกพวกคือปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือสัตว์โลกพร้อมไปกับการสะสมบารมีเป็นลักษณะแห่งพระโพธิสัตว์ที่หากจำเป็นก็ยอมให้ตัวเองรับผลแห่งกรรมเพียงเพื่อช่วยให้คนอื่นได้พ้นทุกข์หรือเพื่อปราบอัธรรมให้สิ้นไปจึงไม่ต้องห่วงว่าพระอาริยะหรือผู้ใฝ่ในธรรมจะทาอาชีพทางโลกหรือยุ่งกับทางโลกไม่ได้ ในแง่นี้พูดถึงพระอาริยะที่เป็นคารวาสหากเป็นพระภิกษุก็ต้องใส่ใจคันถาทุระและวิปัสนาทุระคือป ร, ริยัติและปฏิบัติที่เป็นกิจหลักของพระภิกษุสงฆ์ให้ดีพร้อมก่อนด้วยนะครับหลักสำคัญเพื่อการบรรลุธรรมคือถ้าใจยังไม่บริสุทธิ์จริงตามหลักอาริยมรคคือศีลสมาธิปัญญาจะไม่มีทางบรรลุได้เลยแต่ก็ปรากฏว่า บางคนบรรลุหลังฟังธรรมจากพระพุทธองค์ขณะกลิ่นเล่ายังไม่หมดไปจากปากก็มีหรือองค์คุลีมานที่ทำบาปม า, มากและกำลังทำอยู่เมื่อได้ฟังธรรมก็เลิกทำบาปทันทีและต่อมาก็ได้บรรลุมากผลและมีอีกหลายกรณีที่ทำให้เห็นว่าคนที่กำลังทำบาปก็อยู่ในฐานะที่จะบรรลุธรรมได้ถ้าจิตใจถึงขั้นกลับกันถ้าไม่ใช่แม้จะพยายามเท่าไหร่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 สมองไม่กระตุ้นให้เกิดความต้องการแต่จิตลึกๆกยังโหยหาอยู่อย่างรุนแรงโดยมากเป็นเพียงการฝืนใจยอมรับหรือตัดโดยทางอ้อมได้ชั่วคราวแต่สำหรับคนที่ได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้มาจริงในที่สุดจะเห็นว่าไม่ใช่สุขที่แท้จริงจนปล่อยวางจากจิตระดับลึกได้ง่ายกว่ามากตัวอย่างเสด็จีจานวนมากที่สละทรัพย์ออกบวชและมุ่งมั่นเคร่งครัดในธรรมวินยัยด้วยใจเป็นสุข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 ฟังได้จากหนังสือปลาในชุดโลกทิพย์ของสำนักค้นคว้าทางวิญญาณที่ชมรมพอดีจัดทำไปแล้วนะครับพระอริยบุคคลมีคุณสมบัติเช่นไรดูได้จากบทสวดสังฆ ค, คุณซึ่งเป็นพุทธพจน์โดยตรงแต่โดยมากมักไม่พิจารณาเนื้อหาโดยละเอียดซึ่งเรื่องนี้อธิบายไว้แล้วในหนังสือเรื่องพระรัตนตรยัยการพัฒนาสังคมในทุกด้าน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 แต่เป็นคำแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งจะเห็นได้กับการสอนพระกับสอนครวาดหรือการสอนผู้มีอินทรีย์แก่กล้าพร้อมบรรลุกับผู้มีอินทรีย์ยังอ่อนแตกต่างกันทุกคนต้องเคยทำผิดมาก่อนเหมือนหัดเขียนหนังสือที่ต้องผิดมากกว่าถูกต่อมาจึงถูกมากขึ้นจนไม่ผิดอีกเลยการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันผู้บรรลุธรรมล้วนเคยทำผิด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 ขอเชิญทุกท่านฟังเนื้อหาเดยละเอียดจากหนังสือโดยตรงอีกครั้งนะครับ